ที่เมื่อวานนี้ได้เทศไปไม่รู้ว่าเรียกว่าเทศได้หรือเปล่าเป็นการพูดเหมือนบรรยายก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องการที่อาตมานั้นได้มาที่สถานที่แห่งนี้จะเล่าให้ฟัง อตอนที่อาตจจมาได้บวชเมื่อปีสอง2ห้าห้าสิสองเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาพอดีก็บวชเข้ามาก็เป็นพระใหม่มาคนเดียวแล้วมันรู้จักกับตอนที่บวชนั้นรุ่นที่บวช บวชในอุโบสดเดียวทั้งหมด9คนพร้อมกันใน9คนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเหลือที่เป็นพระรวมทั้งตัวอาตมาเนี่ยก็แค่2รูปตายไป็น1รูปแล้วก็เหลืออีก6คนก็ศึกไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีการไปมาหาสู่กัน เจอกันที่วัดเวลามีงานก็จะกลับมาช่วยงานกันการอยู่ที่วัดเขาอิติศวตโต น, นั้นหลวงพ่อจะสอนให้อยู่เป็นเหมือนครอบครัวก็คืออยู่กันเหมือนพ่อเหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องออแล้วก็บวชบวนมาเรื่อยๆผ่านพรรษาหนึ่งพอขึ้นพรรษาสองเนี่ยก็มีโอกาส มีพระรุ่นพี่ที่เขาอยู่ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ชวนเราเข้าไปไปทำงานกับหลวงพ่อก็คือไปเป็นเลขาหลวงพ่อนั่นเองเป็นเลขาหลวงพ่อเนี่ยก็คือต้องช่วยงานหลวงพ่อเวลามีงานมีกิจนิมนต์เราก็ต้องดูวันวันไหนมันจะชนกันไหมถ้ามีคนมานิมนต์ซ้ำเราก็ต้องแจ้งท่านว่าจะทำยังไง จะไปงานไหนไม่ไปงานไหนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องทุกๆอย่างภายในวัดมีอะไรก็ต้องแางงานหลวงพ่อทุกอย่างเปรียบเสมือนพ่อหลวงพ่อนั้นก็เปรียบเสมือนพ่อในทางเป็นพระเราก็คือลูกมีอะไรเราก็ต้องช่วยกันเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องช่วยพ่อก็คือตั้งแต่ปีพรรษาที่สอง ถึงพรรษาที่สี่ก็คือจะทํางานร่วมกันกับพระอีกรูปหนึ่งก็คือเรียกได้ว่าเป็นเลขาให้กับหลวงพ่อนั่นเองก<สะ>็อยู่ไปอยู่ไปจนถึงเมื่อเดือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ข่าวจากหลวงพ่อว่าเนี่ยทางที่จังหวัดพิจิตรเนี่ย ม, ย, ยมีทางญาติโยมทางพระเนี่ย มาขอเจ้ า, าว่าอีกแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้ส่งมาแล้วสามรูปก็คือวัดเขาพระวัดคุณพุ่มวัดวังกะดีทองก็ได้ส่งมาละสามรูปพอคราวนี้ทางภาที่วัดได้ข่าวกันว่าเนี่ยมีขอมาอีกวัดหนึ่งละชื่อวัดลำชะล่าอยู่พิจิตรเหมือนกันแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ก็ไม่มีใครเคยรู้จักหลวงพ่อก็ได้ถามถามพระก็คือถามลูกๆเนี่ยว่ามีใครอยากจะไปไหมทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ไปเพราะว่าอย่องที่บอกการอยู่ที่วัดเนี่ยเหมือนอยู่อย่างครอบครัวก็คือพ่อกับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีลูกคนไหนออกที่ ไม่มีลูกคนไหนหรอกที่อยากจะห่างพ่อห่างแม่ไปกกไกลๆเราอยากจะอยู่ใกล้พ่ออเพราะไม่รู้ว่าไปเนี่ยจะเป็นยังไงความรู้สึกก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยอย่างเราเด็กๆอยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดพ่อแม่จะคอยสั่งสอน mm hmm. เมื่อเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยพ่อหรือแม่เราสั่งว่าเนี่ยให้เราไปทํางานที่ จังหวัดสมมติให้ไปที่กรุงเทพใม่ใหม่ๆหกรุงเทพนี่เรายังพอรู้สมมตุติพ่อแม่เราเนี่ยบอกว่าเนี่ยให้เราไปทำงานที่ปัตตานีเนี่ยความรู้สึกลูกที่อยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดแล้วอยู่อยู่ให้ไปจังหวัดไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยรู้จักพื้นฐานว่ามันเป็นยังไงสถานที่นั้นเป็นยังไงก็คงไม่มีลูกคนไหนอยากไป แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะก็เหมือนพ่อพ่อที่อยู่กับลูกก็จะรู้ว่าลูกคนไหนเป็นยังไงอ่าหลวงพ่อเขาก็ดูแล้วว่าอาตมาเนี่ยเหมาะสมก็ท่านก็ได้ชักชวนอาตมาว่ามึงจะไปไหมสนใจไปไหมอาตมาก็ตอบอย่างเดียวไม่ไปผมจะอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละอ่าท่านก็ถามหลายคน คนที่ดูเหมาะสมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้าคนก็คือพระสี่ห้าลูกไปถึง เ, เราตัวเราเนี่ยตัวอาตมาเนี่ยก็รู้ตัวว่ายังไงเราก็คงยังไม่ถึงคิวหรอกก็คือเปรียบเสมือนลูกที่เกิดมาทีหลังก็คือเป็นเป็นรุ่นน้องให้พี่ๆเขาไปกันก่อนดีกว่าอก็อจะมีพระที่หลวงพ่อว่าจะมาไหม ก็รู้สึกตอนนี้น่าจะสิบสิบหรือ 11, สิบเอ็ดพันษาแล้วซึ่งเผอิญว่าเขาก็คือภรรยาเขาบวชชีบวชชีอยู่ที่วัดแล้วตัวเขาเนี่ยก็บวชพระหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยจะไปไหมพระรุ่มนั้นก็บอกว่าไปก็ได้ครับแล้วแต่พ่ อ, อแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเขามี บิสัยทัศที่กว้างท่านบอกว่าถ้าเกิดไปเนี่ยแล้วเกิดแม่ชีมาด้วยแล้วเกิดชาวบ้านเขารู้ว่าเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกถ้าเกิดพระมาแม่ชีต้องอยู่ที่วัดแต่เพิอเอ่นแม่ชีกับพระเนี่ยก็มีลูกแล้วลูกก็เรียนอยู่ที่หัวหินมันก็เป็นเรื่องที่ลําบาก อไ ป, ไปไปมามาหลวงพ่อก็เลยบอกท่านไม่อยากจะพากลุ่มพางเมียท่านกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็เลยให้อยู่ที่วัดดีกว่าต่อมาองค์ที่สององค์ที่สองเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ถามว่าจะมาไหมนนพอดีเผอิญช่วงนั้นท่านจะศึกพอดีอเพราะท่านคิดว่าจะศึกก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว ตรงกับจังหวะช่วงนั้นพอดีก็เลยขอลาศิกขาไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามแกรก็จะพูดบอกว่าการเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้คนที่จะได้เป็นเนี่ยมันก็ต้องถือว่ามีบุญมีวาสนานถึงจะได้เป็นแต่พระรูปนั้นท่านก็พอดีติดทุระที่ท่านต้องสึกออกไปพอมารูปที่สามเนี่ย พระดี๋ว่าแม่ของหลวงพี่ท่านนั้นเนี่ยป่วยอยู่ที่วัดเออ่เป็นโรคเกี่ยวกับประสาททางประสาทเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือจะไปอยู่ที่วัดเขาอิติเลยท่านก็เป็นห่วงแม่ของท่านท่านก็เลยปฏิเสธหลวงพ่อไปพอมารูปที่สี่เนี่ย <c oughs> เวลามันก็จะใกล้เข้าพรรษาแล้วหลวงพ่อก็ได้ พอเวลาไปได้สองสามอาทิตย์ละมันก็ยังหาคนไปไม่ได้เราก็ในฐานะที่เป็นเหมือนเลขาหลวงพ่อเนี่ยก็ไปนั่งมาเอาพระหลวงตามาเสนอบอกว่าจะให้หลวงตาท่านเนี้ยมีหลวงตาเขาอยากจะมาเออเอาไปเสนอให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ได้คือถ้าให้ไปได้เนี่ยก็ให้ไปแล้วเพราะว่าหลวงตาท่านไม่ได้เรียนหนังสือ เอ่อมันไม่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาอ่านออกอ่านเขียนไม่ได้เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันมันจะลําบากท่านก็เลยปฏิเสธไปพอเท่านี้หลวงพ่อเขาก็เกิดความเริ่มเครียดละเพราะว่าพระมันเหลือน้อยแล้วที่ท่านมองว่าจะส่งมาเนี่ยอืมท่านก็เลยตัดสินใจบอกอาตมาว่าให้ไปตามพระอีกรูปหนึ่งเหลือรูปสุดท้ายละอาตมาก็ไปตาม ไปตามพระรูปนั้นแต่ว่าพระรูปนั้นเนี่ยท่านก็ยังไม่พร้อมเออแล้วก็เลยไปปฏิเสธหลวงพ่อเออปฏิเสธว่าคือตอนเนี้ยมันยังไม่พร้อมแล้วก็ไอ้เหมือนพูดคำบางอย่างเนี่ยแล้วมันพอดีหลวงพ่อเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยแล้วไปพูดคำนั้นเออแล้วจำไม่ได้ว่าคำว่าอะไรอืม อ๋อนึกออกแล้วเขาพูดว่าเขาไม่ได้หลวงพี่ท่านนั้นท่านพูดว่าท่านไม่ได้บวชมาเพื่อจะเป็นเจ้าอาวาสอ่าเราเนี่ยหลวงพ่อก็โมโหอยู่แล้วก็เลยโมโหหนะักแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดมีลูกและขอลูกไม่ได้สักคนเนี่ยท่านก็จะไม่ขอละอืมเพราะว่าพอหลวงพี่ท่านนั้นปฏิเสธเนี่ย อาตมาก็ไปอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อก็มาบนให้ฟังหบอกเนี่ยทุกคนปฏิเสธท่านหมดเลยก็มไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็เลยถามหลวงพ่อว่าแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็าไม่ต้องทำยังไงเดี๋ยวกูไปเองอ่ากูมีลูกเลี้ยงลูกมาเนี่ยให้ลูกทุกอย่าง่วยที่สุขสบาย แล้วท่านก็ถามมาตมาว่ามึงอยู่สุขสบายไหมเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยมาตมาก็บอก ก, ก็สบายดีครับท่านก็บอกว่าเนี่ยแล้วกูเคยขออะไรใครไหมก็ไม่เคยท่านก็ถามกูเคยขออะไรมึงไหมมาตมาก็บอกไม่เคยท่านก็บอกเป็นลักษณะที่น้อยใจว่าเนี่ยตั้งแต่มีพระมีลูกศิษย์เนี่ยไม่เคยขออะไรใครเลย แต่ทำไมพอเวลาขอแล้วไม่มีใครให้ท่านได้สักอย่างท่านก็เลยเกิดความน้อยใจแล้วกาท่านก็ตัดสินใจว่าจะมาเองเพราะว่าได้รับปากรับปากทางที่นี่ไว้แล้วว่าจะมาอะพอทีนี้ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้เราเนี่ยไปทำเอกสารเอกสารแต่งตั้ง แต่งตั้งพระรูปแรกที่เล่าให้ฟัง่ะอ่าให้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านก็ให้เขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งว่าท่านจะมากิจธุระที่เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งพอเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นออกมาในลักษณะเนี่ยคงจะไม่ดีแน่ก็เลยบอกหลวงพ่อไปบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบเนี่ย มันคงจะไม่ดีทางวัดเนี่ยที่หลวงพ่อต้องดูแลมีทั้งพระทั้งชีทั้งโยมที่อาศัยอยู่ที่หลวงพ่อรับเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วหลวงพ่อเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยน่าจะประมาณห้าร้อยชีวิตได้ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ที่วัดเนี่ยผมคิดว่าวัดไม่ไม่น่าจะไปได้รอดก็เหมือนกับบ้านซึ่งมีพ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย เกิดอยู่ๆพ่อบอกว่าเดี๋ยวลูกๆอยู่กันไปเองนะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วอะจะไปทํางานต่างจังหวัดสักปีหนึ่งเราลองคิดดูว่าลูกจะมีความรู้สึกยังไงจะเกิดความเครียดขนาดไหนว่ามันจะไปได้รอดได้ยังไงในเมื่อผู้นําหัวหน้าไม่อยู่อนี่หาตามาก็เลยตัด ส, สินใจบอกหลวงพ่อบอกว่า งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมามามาเองก็ได้ซึ่งหลวงพ่อก็บอกไม่ให้ไปคือท่านตัดสินใจไปแล้วท่านไปนอนคิดอยู่คืนหนึ่งเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าของเรียบร้อยท่านบอกว่าท่านไปในเนี่ยมีแค่ย่ามใบเดียวท่านก็ไปได้แล้วไม่ได้ยึดติดอะไระเพราะว่าบวชเข้ามาเนี่ยก็ทําเพื่อพระพุทธศาสนา อยู่ที่วัดเขาวิติสุกโตวัดใหญ่วัดโตท่านก็มีหน้าที่ก็คือสร้างวัดพัฒนาวัดดูแลของสงฆ์อันนี้คือหน้าที่ของท่านก็คือเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นท่านก็มีหน้าที่นี้ถ้ามาที่นี่ท่านก็มาสร้างวัดพัฒนาวัดเหมือนกันดังนั้นท่านไม่ได้ยึดติดอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะเป็นพระมีแค่ย่ามใบเดียวก็ไปได้แล้ว ไม่ได้ยึดติดถ้าเกิดพ ว, วกมึงยึดติดกันมันก็อยู่กันไปก็แล้วกันเออฟังเียวหลรู้สึกเกิดความเครียดยางมากว่าเราไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยตัดสินใจขอมาแทนพอขอมาท่านก็ไม่ให้แล้วเพราะว่าท่านบอกท่านตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะเก็บของเตรียมตัวเดินทาง เราด้วยเป็นความที่เรามีความรักหลวงพ่อก็คือเหมือนลูกที่รักพ่ออ่าเราก็ไม่อยากให้มาอีกวันหนึ่งเราก็เลยคุยกับทางพระพี่ใหญ่ก็คือเป็นพระรุ่นพี่ก็คือหลวงพ่อนก็รปรึกษากันจะเอาอยัางไงทํำยังไงกันดีหลวงพ่อนกท่านก็คุยกับพระอาวุโสรูปอื่นก็ตกลงกันว่าเอาอย่างงี้ละกัน ให้เรามาแทนเลยมาแทนหลวงพ่อเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าส่งคนมาแล้วท่านก็จะมาทับซ้อนอีกไม่ได้อในวันรุ่งขึ้นก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันก็เก็บของมาเลยก็ขึ้นรถมาเราก็ก็รู้สึกรู้สึกมีความเสียใจลึกๆว่าเราต้องจากพ่อออกมาแล้วเราต้องไป เหมือนกับถ้าเป็นคาลวานเนี่ยก็คือเหมือนกับเด็กที่ออกจากบ้านที่อบอุ่นที่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเนี่ยต้องออกไปยืนด้วยลาแค้งของตัวเองละต้องไปทำงานไปสู้ชีวิตด้วยตัวเองเราก็นั่งก็นั่งอยู่ในรถเราก็นั่งเกิดความสกเศร้าเสียใจและเกิดความน้อยใจว่าทาไมต้องเป็นเราทาไมพี่เยอะแยะ น้องเยอะแยะทำไมคนอื่นถึงไม่เสียสละมาบ้างทำไมเราต้องเป็นคนที่เสียสละมาเพื่อให้บ้านของเรานั้นมียังมีผู้นำครอบครัวก็คือมีพ่ออยู่เหมือนกับว่ามีความน้อยใจในชะตาของตัวเองามาถึงมาถึงวัดก็ไม่มีคนมาส่งมาก็มาคนเดียว มาถึงคืนแรกก็มานอนคนเดียวอยู่บนสาราเนี่ยชั้นสองกลางเต็นท์นอนกุฏิก็ไม่มีห้องที่เขาสร้างให้ก็ยังสร้างไม่เสร็จก็ก่อนนั้นนั้นก็เตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าได้เตรียมเต็นท์มาว่าทางวัดเขาอิติเนี่ยเวลาหลวงพ่อพาไปที่ไหนเนี่ยพระทุกคนพระทุกรูปเนี่ยจะมีเต็นท์ประจำตัวเลยก็คือหลวงพ่อจะสอน ให้พระเนี่ยอยู่แบบลบําบากหรือจะไม่ให้อยู่สบายเหมือนตอนที่เรามาเทปูนกันเนี่ยเราก็จัดสถานที่ไว้กล่าวว่าให้พระเนี่ยมันนอนอยู่บนศาลาชั้นสองนี้พอหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อท่านก็สั่งเลยว่าบนศาลาพระต้องมีความเสียสละพระไปนอนข้างล่างกลางเต็นไปนอนริมน้ําไปนอนกลางดินกลางทรายนูน่นบนศาลาให้แม่ชีญาติโยมเขานอนไป เป็นพระก็ต้องเสียสละอ่าอันนี้คือคําสอนของท่านอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอ่า <c oughs> ในการอยู่ที่วัดที่หัวหินเนี่ยวัดเขา อ, อิติสุขโตเนี่ยเหมือนเป็นมหาลัยมหาลัยหนึ่งท่านเคยพูดกับอาต ม, มาว่าถ้าเกิดมึงผ่านที่เนี่ยไปได้มึงผ่านมหาลัยอิติสุขโตออกไปได้เนี่ยมึงไปอยู่ที่ไหนมึงก็อยู่ได้เออ มันก็เรื่องจริงนะใครเคยเห็นพระเทปูนทำงานโหหามลุ่งหามค่ำไม่มีก็เคยเห็นแต่ที่วัดเขาอิติสุขโตเนี่ยแหละที่หลวงพ่อท่านสอนให้พระสอนทุกอย่างสอนให้อดทนสอนให้เหนื่อยยากลาบากเพื่อที่ว่าเหมือนตามที่หลวงพ่อพูดเป๊ะเลยมึงผ่านที่นี่ไปได้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เรามาถึงวันแรก ก็มากลางเต็นท์นอนก็นอนได้เพราะชินแล้วปกติไปที่ไหนหลวงพ่อพาไปที่ไหนพระกลางเต็นท์อย่างเดียวเราก็มากลางอยู่ชั้นสองแต่ก็มีความกลัวเหมือนคนไปต่างที่ต่างถิ่นไปคนเดียวนอนคนเดียวก็เกิดความกลัวบรรยากาศก็เงียบปิดไฟหมดเลยข้างนอกมืดสนิทเราก็ก่อนนอนก็ไม่รู้ทํำยังไง เลยนั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่ในเต็นท์ไอ้ความกลัวก็กลัวปิดเต็นท์หมดเลยปิดหน้าต่างทุกบานเอาพัดลมเข้าไปตัวเดียวมันนั้นหลวงพี่ลิขิตถามว่าอยู่ได้ไหมจะมานอนเป็นเพื่อนไหมเราก็บอกไม่เป็นไรอยู่ได้แต่ก็กลัวอยู่ดอีอยู่คนเดียวก็กลัวก็ปิดเต็นท์นั่งสมาธิก่อนนอนนั่งนั่งไปหลับ น่าจะนั่งหลับหลับไปฝันฝันในความฝันเนี่ยโอ้โหมีลมแรงพัดเข้ามาวูบหนึ่งแรงมากเลยพัดมาจากหน้าต่างแล้วเห็นเอผ้าสีเขียวเขียวอ่ะในฝันเนี่ยเป็นผ้าสีเขียวเขียวสะบัดสบัดเราก็เฮ้ยผ้าอะไรอะไรก็ไม่รู้ก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าอะไรก็นอนดีกว่าพอผ่านไปสองสาวันเริ่มอยู่ไปอยู่ไป คุยกับชาวบ้านเขาบอกอที่นี่มีนางตะเคียนด้วยมีคนมาขอหวยขออะไรกันปกติก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเอราก็เลยทำถามดูว่ า, าแล้วนางตะเคียนอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้ไปให้ดูไอ้ตรงศาราตะเคียนข้างๆโบสเราก็ไปดูตกใจโหผ้าเนี่ยที่เขามันจะมีหุ่นนางตะเคียนแล้วก็มีชุดที่เขาแขวนๆไว้เนี่ย หเหมือนกันเด็ในฝันเลยสีเดียวกันเลยเราก็เลยวุย้ยมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เอแต่หลังจากนั้นอยู่ไปอยู่ไปก็ก็ไม่มีอะไรก็อยู่สุขสบายดีอก็ยังจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าวันนี้ดูแล้วมันจะผมควรแก่เวลาละก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนิมนต์ถอนสมาธิ